ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเรื่องชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ก็จะพูดเรื่องหัวข้อคือความหวังทุกคนก็ย่อมมีความหวังในชีวิตความหวังแต่ละคนนี่มันก็แตกต่าง ก, กันไปเพราะว่าความมุ่งหมายกันแต่ละชีวิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันว่าบางคนก็ต้องการหวังมากเกินไปบางคนก็หวังไม่มาก แต่สิ่งที่เป็นไปได้ตามที่ใจหวังนั้นมันยากมันอาจจะไม่มากเท่าที่เราคิดหวังไว้ก็ได้พูดถึงเรื่องความหวังกับความผิดหวังเนี่ยมันเป็นของคู่กันถ้าเรืองความหวังคนเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อหวังไปแล้วเกิดความผิดหวังเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแหละความผิดหวังอย่างเช่นผิดหวังในเรื่องความรัก การผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนทุกคนเนี่ยเมื่อประสบกับชีวิตแบบนี้จะเป็นทุกข์ความผิดหวังกับความทุกข์เนี่ยจึงมาเป็นของคู่กันนะและทีนี้ว่าอย่างเช่นเรื่องความรักเนี่ยมีคนบางคนมาปรึกษาปัญหาเพราะว่าเขาผิดหวังเรื่องความรักคือรักแล้วก็ผิดหวัง ได้ความผิดหวังเหล่านั้นเนี่ยมันเกาะกินใจเราทุกวนันทุกวนันจะทำอะไรก็ น, นึกถึงในเรื่องความรักที่เขาสูญเสียไปเนี่ยคือความผิดหวังก็ไน้นำเขาว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะแรกเท่านั้นเนร่ะพอเราเกิดความหวังอะไรความหวังอะไรขึ้นมาแล้วเราก็จะยึดมั่นถึงมั่นให้ได้อย่างที่ใจหวังตอนนี้พอไม่ได้อย่างใจหวังเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่า มันหงุดหงิดมันเป็นทุกข์มันมันมีอะไรสิ่งที่มันเลวร้ายหลายอย่างใน จ, จิตใจเราเพราะว่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าจะต้องให้ได้ใจหวังเท่านั้นแต่เมื่อผิดหวังขึ้นมาเนี่ยก็ทําใจไม่ได้ก็แนะนําบอกว่ามันเป็นแค่ระยะแรกนะถ้าเราผิดหวังแล้วในช่วงระยะแรกๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเราจะคิดถึงบ่อยๆแล้วก็จะแสวงหาโหยหาบ่อยๆ ไม่อยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันคือไม่ถึงความผิดหวัง น, นะก็อดทนไปสักระยะหนึ่งแล้วต่อไปความผิดหวังหรือความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันจะค่อยๆสลายลงไปเองการเวลาเนี่ยมันช่วยทำให้ใจเราเนี่ยมันดีขึ้นเรียกว่าการเวลาบางทีมันก็รักษาแพ้ใจเราได้ แต่ในพวงที่เรารอเวลาที่รักษาแผลใจเรานั้นเราต้องมีอะไรทำต้องมีงานอะไรทําถ้าเรามัวแต่ไปนั่งคิดมัวแต่ไปนั่งทุกข์อยู่เนี่ยมันก็จะโดนในความผิดหวัเนี่ยมันเกาะกินใจเราทําร้ายใจเราอยู่เรื่อยบีบคั้นใจเราอยู่เรื่อยต้องหาอะไรทําปัจจัยไปจดจ่อกับสิ่งที่เราทําอยู่กับปัจจุบันกับงานที่เราทำํำนะ แล้วเรื่องความผิดหวังต่างๆที่เราคิดไว้ในใจเนี่ยมันก็จะค่อยสลายลงไปเองตามกฎของความไม่เที่ยงความผิดหวังมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วและยิ่งเวลาที่ผ่านไปบ่อยๆเนี่ยมันก็ความไม่เที่ยงก็ยิ่งแสดงให้เราเห็นได้ชัดเจนนะเสร็จแล้วเรื่องของความทุกข์ความผิดหวังต่างๆก็จะค่อยสลายลงไปเองจากหนักกาลเป็นเบาแล้วต่อไปเราก็ทำใจได้ ยิ่งคนมีการภาวนาเนี่ยก็ยิ่งได้ไ ด, ได้เปรียบนะได้ดูจิตดูใจของเราเวลามันเกิดอารมณ์ที่มันไม่ดีมันผิดหวังมันหงิดเนี่ยเราก็ได้มีสติได้รู้ทันอาจจะเกิดปัญญากับไอความผิดหวังของเราก็ได้บางคนอาจจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมรู้แจ้งในธรรมะจากใส่ความผิดหวังในจิตใจเราก็ได้เพราะฉะนั้น ขอแนะนำสำหรับคนที่มีความหวังทั้งหลายถ้าเราสร้างความหวังขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อย่างใจหวังก็ได้เมื่อเรามีความอาจจะเจอความผิดหวังก็ได้ต้องเผื่อใจไว้บ้างแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์กับความผิดหวังก็อย่าหวังถ้าหวังเมื่อไหร่ก็ต้องมีความผิดหวังเมื่อนั้น เราไม่ต้องหวังอะไรเลยเพียงแต่ทำเหตุในสิ่งที่เราต้องการจะได้นั้นให้มากๆแล้วความผ้หวังก็จะเกิดขึ้นเอง